ชนะลุกขึ้นยังงวงเหยียพราหกาวว่าจะทรงทำอะไรและจะเสด็จไปไหนนิยามข้ามคืนเดึกเดือนเช น, นีไปเถอะชนะฉันจะออกไปนอกวังชนะไปเตรียมผูกม้าจัดแจงเครื่องม้าให้เรียบร้อยไปทำอะไรพุคขาเดือดเดือตานี้คนขับขอนอนหมดแล้วนายชนะทูนอย่างข้าชุนใช้ที่สนิทที่สุด จ่อมมีความเป็นคนเองกับนายพอสมควรฉันจะไปชนะและจะไม่กลับมาอีกเจ้าชายตรัสพลางรูปไหล่ของนายชนะเพียงแผ่วเบาจะเสด็จออกบวดอย่างที่เคยเปรยนั่นหรือนั่นสิฉันว่าจะคลองเพศเป็นบนรรพชิตและจะไม่กลับมาอีกจนก ว, ว่าจะได้พบถึงที่ฉันต้องการพระองค์ผู้ประเสริฐ อย่าเลยอย่าทรงกระทำเช่นังเลยพระองค์พระสุกุมาราชาติละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนยิ่งนักจะทนต่อภาวะบรรบชิตได้อย่างไรการเป็นบรรบชิตต้องอดมือเสมยมือต้องอยู่ตามป่าตามเขาตามโคนไม้และท้องทถ้ำต้องขออาหารจากมือคน อ, อื่นข้าพระองค์ไม่ปรารถนาจะเห็นพระองค์ในภาวะอย่างนั้น เฉยนายชนะจึงกล่าวต่อไปว่าเรื่องเล่าเมื่อพระองค์อยู่คลองแม่นแฟนก็เป็นที่อุ่นใจของถวยราชโอกาสที่จะทรงเป็นราชาแห่งราชาทั้งหลายก็รออยู่เบื้องหน้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างลักของสมเด็จพระบรมเชลุกนาถและพระประยุรญาติทั้งปวงฉนั้นพระองค์จะทรงละทิ้งสิ่งอันเป็นมงคลชนิดเสีย ไปหาสิ่งอันหาหมกคลนี้ได้กลับพระไชยเสเถิดเจ้าชายผู้ประเสริฐฉันได้คิดดีแล้วชนะฉันได้คิดดีแล้วคิดมาหลายปีแล้วฉันจะสละสิ่งที่คนอื่นสละได้ยากฉันจะเลิกยึดถือในสิ่งที่คนอื่นเป็นอันมากยื้อแย่นกันเราก็เถอดชนะเวลาใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วเราก็เถิดถ้าชนะไม่ไปฉันก็จะไปทําฉันเอง ฉันจะไปคนเดียวเมื่อไม่อาจทัดทานได้ น, น, นายชนะข้าผู้ซื่อสัตย์ก็รีบออกไปสู่โรงมาจัดเตรียมเครื่องต่างๆดวงใจของเขาเต็มไปด้วยความสลดหดหู่เขาหยิบเอาขุมเงินบางเหียนสายรัดทึบสายคางจากที่เก็บและจัดแจงรัดสายรัดติดทวงแลงและผูกเครื่องพลางล่กไร้กายอันขาวเหลือฝึกไหม ของกันตกะกอัศวราชเอาพรมสี่เหลี่ยมปูหลังและวางอานอนเพื่อายลงรัดสายรับทึบประดับหนึ่งจนินาเอากรงทองคำแกะเป็นงดลายลงสองข้างครั้งแล้วพรมคายทั้งมวดด้วยผ้าร่างแหไหมสีเหลือประดับไข่มุกแล้วพาอัศวราชอาชาในอันนาบนั้นมาสู่ทวารพระราชลังซึ่งพระราชศิษฐ์ประทับรออยู่ ป ไ, ปไปให้ไกลที่สุด ปร่กาศอสูรรา ตลาดโลกมุ่งสแสวงหาธรรมประพตะตนเป็นอนณาคาริกะโมดีผู้ไม่มีเรือนแล้วไปเถิดชนะนายชนะได้ฟังพระกระแสรับสั่งดังนั้นจึงเริ่มให้ด้วยความอะไรแล้วถูนว่าข้าแต่พระราชบุตรข้าพระองค์ได้ติดตามพระองค์ม า, าตั้งแต่ยาวเหมือนเงาตามตัวครั้งเมื่อพระองค์ประพฤติภพเป็นอนณาคาริกะโมดีผู้ไม่มีเรือน ข้าพระองค์ก็คล้ยจะตามเสด็จประพธนั้นบ้างเพื่อรับใช้พระองค์ต่อไปอย่าเลยฉันนะขอฉันไปคนเดียวเถิดยังไม่ถึงเวลาที่เธอจะประพธนั้นเธอกลับไปก่อนปะทูนสมเด็จพระชิบิดาและชายาห้องฉันว่าฉันยังอยู่ปลอดภัยเพื่อท่านจะได้เบาใจในการจากมาของฉันไปเถอดฉันนะพากันตะกะ ก, กลับไปด้วย จัสดังนี้แล้วพระสิทธัตถากตมะ ก, ก็ลูบหน้าของกันตะกะและสีข้างของมั น, ด, ด, น, ออนมด้วยฝ่าพหัตันอ่อนนุ่มกลับเถนะกันตะกะ ฝั่งแห่งนายสนได้จึงลาบลาเจ้าชายด้วยความอลาลัยอาวรณมีดวงหน้าชุ่มด้วยน้ำตาเดินดุ่มจุงม้าคันตะกะมุ่งสู่นครก บ, บิลพัส์ฝ่ายพระศิทฐธะโพธิสัตว์บัดนี้ได้มีเพศเป็นบรรพชิตแล้วอากาศนยามเช้าริมฝั่งแม่น้ำอโนมาทำให้พระองค์ชุ่มเชิญจำใสและปลอดโปร่งไม่เคยเลย ไม่เคยเลยในชีวิตที่ผ่านมาที่พระองค์จะพบอิสระกล่อดโตงถึงป่านี้เจ้าชายแห่งสากยะวงอันทรงศักดิ์ได้เริ่มชีวิตใหม่แล้วชีวิตที่เที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวชีวิตที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่โลกสุดจากพรณนาได้ในการต่อมา พ้าสีเหลืองม่นอาจารย์เคลื่อนประพฤตินเป็นผู้มีเรือแล้วเมื่อได้พักอยู่เรียนฟังม่น้ำอโนมาพอสมควรแล้วก็เสด็จไปสู่สวนเมืองอัร่งรมนามอนุปยะทรงสำนักพระอิรยาบตบทุนะที่นั้นเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วเมื่อมาสู่ที่ใกล้อันเป็นที่ตั้งแห่งแคว้นมคตสเด็ถึงราชธานีแห่งแคว้นนั้นอันมีน้ำกระจรว่า ราชคลึหรือเดินจากเชยลยนครณที่นั้นทศกัณฐ์สล็จอภิขาจารเยี่ยงนักพฤทหลายทรงมีบาทในพระหัตดังเดิเนทอดไปเมื่อเนต่ำด้วยพระอาการสมรวมสแสดงพระลักษณะสูงทรงด้บน ญ, ญาติชาลุราชคลได้เห็นรักพฤษใหม่ซึ่งพวกตนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและนักพธนั้น ถึงพร้อมด้วยอากัตตอันงามลักษณะสน า, าพาเผยผิวพธุ์แสดงวันละสงมีอาจาระเรีบร้อยจะทาดน่องย่องย่างหรือเหลือซ้ายไหลขวาลุ่งางามยิ่งแม้พระรูปโฉมที่พระงามสมสกุลกษัตริย์อยู่แล้วก็ยิ่งเป็นสื่อยั่วใจให้ชาวนกรราชชฤมีความขึ้นนักโทษใหม่นี้มากขึ้นพระองค์ ได้ปรากฎแกสายตาประชาชนว่านี่จะเป็นเช่นนักบวชธรรมดาเลยเพราะมีลักษณะหลายประการที่ผิดจากนักบวชทั้งหลายอื่นจึงพากันถวายอาหารที่ตนเข้าใจว่าดีที่สุดแก่นักบวชศิทธฐะนั้นเจ้ ช, ชายทรงรับด้วยอาการเครพเรียบร้อยแล้วอวยพรด้วยเสียงที่อ่อนหวานนุ่มนวล รง ท, ที่ถวายอาหารนั้นรู้สึกมีปีติสุขไปทั้งวันทั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะอาลัยสงทานที่เ็าถวายอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นเพราะพรศนาอันงดงามมันญาติเช่องชอยเป็นที่ตั้งแห่งความม่วนใสและปีติปลามโมดอิดประการเหนึ่นด้วยเ่ิกบทใหม่สิทธธัตถะสุดโททะะบุตรเมื่อได้อาหารพอสมควรแล้ว ก็หาที่นั่งที่เป็นต้นไม้กใกล้ลำธารแห่งหนึ่งทรงเปิดบาตรออกดูขณะนั้นพระหาลุไทยของพระองค์ก็พลันเหี่ยวแห้งเศ้าหมองอาหารในบาตรนั้นเป็นของที่ชาวบ้านทั่วไปบริโภคเป็นของธรรมดาเสียเหลือเกินไม่ตานีดเหมือนที่เคยเสวยมาตลอดเวลา29ปีเพียงนั้นก็พอทําเหนายิ่งกว่านั้น ยังครอบงำกนอยู่จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรลำไส้ของพระองค์เริ่มขยักขย่อนเหมือนจะอาเจียนออกมาอริจาริทธธัตถะผู้กมลภายใต้เสรษฐศาสตร์อันเป็นทิรัตน์นี้ขไทยของชาคนเครส ก, กะต้องมามีชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ได้มาจากประตูเรืของคนอื่นชานา่างน่าสังเวชอะไรเชนนั้นพระองค์มาเจียอาหารทั้งหมดนี้นทิ้งเสียแล้วยอมอก ไปทวันแต่แล้วทันใดนั้นความสมดุลถูกเตืองของพระองค์ก็เกิดขึ้นในห้องอัฐายบบัดนี้พระองค์ไม่ได้เป็นเจ้าชายแห่งกัมพูชาแล้วพระองค์เป็นนักบวชจึงควรปรับตนให้เข้ากับภาวะนักบวชที่เดียวกับนักบวชทั้งหลายอื่นเมื่อทรงเลิกได้ดังนี้จึงทรงอนุญาตพระองค์เองว่า บาลางอันนี้เจตียอดยิ่งสละอุปชายยาตลาดถึงเสื้อผ้าแพรพันที่สวยงามรวมั้งอาหารที่ปลาเนตอร่อยอร่อยไม่ั้ำรสภายในร้านจะสำนักมาประพฤติตรงเป็นนักบวชต้องการครองชีตอย่างนักบวชหากต้องการบริโภคอาหารอตาเนีตแล้วฉนันจึงสละอาหารชนังเสียซึ่งหาได้โดยง่ายในวางของตน ดังนี้เจ้าก็ยืนยันว่าพอใจในเพศนักพรตเพื่อสแสวงหาสัจธรรมทำไมเล่าจะรังเกียจอาหารยังนักพรตทั้งหลายเจ้าจะบริโภคอาหารเพื่อความอร่อยหรือเพื่อเพลินเพลชื่ออยู่ได้อาหารที่ได้มาจากมือของผู้มีศรัทธานี้เป็นของบริสุทธิ์ควรที่มีผู้สแสวงหาความจริงจะบริโภค จะลืมความตั้งใจเดิมของเจ้าเสแล้วหรือความตั้งใจที่ยอมสลังทุกอย่างออกจากวังเพื่ออะไร ต่อสู้ระหว่งางอำนาจสองฝ่ายคือความระเกียดอาหารนั้นแต่ความยินยอมบริโภคก็เป็นอันเช่นสุดลงเพียงเท่านี้ตั้งแต่บัดนั้นไปต้นมาพระองค์ก็เสวยอาหารที่ได้จากประตูเรือนของชาวบ้านโดยไม่ได้จะิดแตะขววงพระฮาลิไทอีกเลยประชาชนชาวนครราชครึ๊ต่างโจทย์จานกันถึงนักบวชหน้าใหม่ลักษณะดีผู้นี้อยู่ทั่วไป เมื่อนานวันเข้าข่าวนั้นก็แพร่สะบัดออกไปทุกทีราชาหแห่งแคว้นมคตร ส, สงสาบและทรงสมทัยเช่นเดียวกันจึงรับสั่งให้ราชบรุษออกติดตามความเคลื่อนไหวไม่นานนักราชบรุษก็นำความมากราประคุณถือว่ารัก บ, บวดหน้าใหม่ผู้นั้นคือเจ้าชายศิท ธ, ธาักแห่งสาขยาวงพระโอรสอใหแห่งพระเจ้าสุทธทนะ และพระนางมหามายาผู้รลับพระเจ้าป็นพิสารทรงสดับดังนั้นตรงแต้นมากไม่เคยทรงนึกเลยว่าจะมีรัชทายาทแทงแคว้นใดกล้าหารที่เพียงนี้เสียสละทึงเพียงนี้เม่งทรงทราบเหตุผลที่เจ้าชายเสด็จออกบรระชาด้วยแล้วก็ทรงเห็นเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากขึ้นจึงเสด็จออกไปเฝ้าด้วยพระองค์องเองนะ ภูเขาปันทวะอันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งพระสิท ธ, ธะพระองค์เสด็จไปพร้อมด้วยระราชบริพานเพียงเล็กน้อยท่านผู้ทรงพระดพระเจ้าปิทิสารถูนข้าพเจ้าทราบมาว่าท่านคือพระโอรสองค์ใหญ่แห่งพระเจ้าสุโธจนะและพระนามมหามายาเสด็จออกพนวดเพื่อแสวงหาธรรมเครื่องพ้นทุกข์ คือความแก่เจ็บและตายข้อนี้เป็นความจริงอยู่หรือขอถวายพระพรราชบุตรของพระองค์ได้ทูลรายงานแล้วอย่างนั้นมหาปุพิษมีอสงสัยหรือพระกระแสเสียงที่ น, น่มนวลเปลี่ยนด้วยเมตตาของพระสิทธะธข้าพระเจ้าไม่มีอะไรสงสัยดอกท่านผู้สงพล ต่แตกระเกินเรื่องที่ไม่เคยเกิดมีได้เกิดมีแล้วตามประวัติแห่งมนุษยชาติเท่าที่กริ เ, เจ้าได้ศึกษาไม่มีเลยที่รัชทายาทแห่งแคว้นใดจะยอมสละราชบัลลังก์มาจาริกสแสวงบุญถือเอาท้องถ้ำโค่นไม้ในแนวป่าเป็นที่อาศัยเลี้ยงชื่อเพื่ออาหารจากประตูบ้านของาศาสนิกชนผู้ศรัทธาท่านผู้ทรงพระ ก็หาเด็ดเดี่ยวมากแต่ขออาภัยเกิดอย้าหาว่าข้าพเจ้าระ ล, าล่าไประโลมแต่ประการใดเลยท่านผู้ทรงพรมีเรื่องขับอกขับใจเกี่ยวกับวัจสมบัติอยู่บ้างหรือจึงได้เสด็จออกประเสิฐเสียเพื่อว่าจะมีเรื่องการบางอย่างทั้นอาจเป็นภัยแก่พระองค์เองถ้าเป็นอย่างจริงข้าพเจ้าจิงดีแบ่งแพร่งในครั้งนี้ให้ท่านครอบครองขึ้นหนึ่ง ท่านพอพระทัยหรือไม่ ในความหวังดีของพระเจ้าปิพิสารแล้วกลัดต่อไปว่ามหาปวิภิอัตมาภาพมีความตั้งใจนแน่วแน่มีการแสวงหาโมคธรรมทําตรงที่หลุดพ้นจากเครื่องน้อยรักทั้งปวงและช่วยปลดปลื้มผู้อื่นให้หลุดพ้นด้วยอัตมาภาลป์ได้หวังครอบครองสมบัติแม้ว่ า, น า, าใ น, ในอาณาจักรใดๆอัตมาภาพได้มาเห็นว่าสดาุดตัวโลกความดำดิบพิษ ขนาดใดรักษาบรรดาทายหายขาดได้ความยากจนความแรงแค้นความเศร้าโศกไปเทพิบันาการและความแก่ความเจ็บความตายเป็นภยัยพิบัติหน้าของคนทุกคนอยู่ทั้งอย่างไรอัตวาภาพและเขาเหล่านั้นจะพ้นจากภัยทั้งมภาระดังกล่าวแต่ก่อนที่จะแก้ปัญหานั้นได้จะต้องหาทางขจัดความขาวในชีวิตให้ได้ ใจในชีวิตอย่างแจ่มแจ้งเสงก่อนว่าเราเกิดมาอย่างไรมีชีวิตอยู่อย่างไรและจะดับชีวิตอย่างไรอะไรเป็นเชื้อแห่งชีวิตอันสําคัญอะไรเป็นสาเหตุขั้นรุนถานแห่งความทุกข์ทั้งปวงของชาวโลกการใช้ผ้าปิดแผลเพียงแต่ไม่หเห็นแผลเท่านั้นแต่ไม่อาจกาจัดแผลที่มีเชื้อให้หายได้ ต้องใช้ยาชนิดทำลายเชื้อให้หมดติ้แผลนั้นจึงจะหายสนิทฉันใดการกำจัดความทุกข์ก็ฉะนั้นไม่อาจให้สิ้นสุดเมื่อไม่สามารถทราเพตขั้นมูลฐานการกำจัดทุกโดยการย้องใจให้เพลิดเพลินหลงไหลในสิ่งต่างๆก็เหมือนกับการนำผ้ า, าปิดแผลมาปิดบังแผลไว้วิ่งถ้าผ้านั้นสกปรกแผลก็จะำเริบ ม, มากขึ้น อาตมาภาพมีความตั้งใจอย่างมั่นคงแล้วที่จะสแสวงหาธรรมสมบัติไม่ใช่สแสวงหาโลกียสมบัติจึงไม่อาสนอเจตนาดีของมหาบพิษเรื่องจะแบ่งสมบัติเครื่องหนึ่งให้คลองได้ รีพิสานและพระราชบริพานส่นร้อยก็เสด็จกลับสู่พระราชดิเวทส่วนพระมหาบุร ก, ก็เที่ยวสัญจรไปมาดิแทบนันอาศัยภูเขาบ้างท้องถ้ำบ้างโคนไม้บ้างเป็นที่พัตกพรอนติดต่อหาทางที่พระองค์ควรดำเนินต่อไปเนื่องจากสงเป็นรัชพบใหม่เสด็จออกพนดโดยลำพันธ์พระองค์เดียวจึงต้องใช้เวลาติต่อมาก และใช้เวลาว่างสนทนากับผู้เคือสีและนักบดรักที่ต่างๆอยู่แถบภูเขาดันบ่ายวันหนึ่งขณนะนที่พระองค์เสร็จไปตามทางทอดประเนตรไปบ น, นหน้าเห็นฝูงตลบมาแต่ไกลพร้อมกังเสียงกีดจัดเป็นอันมากกระทบขอบพื้นดินเมื่อเสร็จเข้าไปใกล้ใ้ทอดพระเนศเห็นแพะและแกะฝูงใหญ่ออกมาจากกลุ่มฝูงออัขึ้นบุกแน่นัน พระมหาบุรุษได้ทราบจาคนเล้ยงแกะซึ่งกําลังต้อนฝูงแก่อยู่ว่าแพะและแกะอย่างล้อล้อตัวนี้พระราชาสั่งให้ต้อนไปในเมืองเพื่อทําพิธีบูชายันใเนเย็นวันนี้บูชายันพระสิท ธ, ธะทรงอุทานเบาๆทาไมหนอการบูชายันจึงเป็นเพราะความหัวคล้ายารุนทั้ป่านี้ทีพระเจ้าองค์ใดหนอ ที่ชอบเลือดในลำคอของสัตว์ผู้ล่าถุกสารผู้ไม่มีทางสู้หรือว่าพวกคนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวคิดกันขึ้นมาเองโดยเทพเจ้าไม่ได้รับรู้เลยราจะไปกับท่านด้วยพระองค์จัดกับคนเลี้ยงแก่ท่านจะไปทำไมคนเลี้ยงแก่ถามพลางเจ้ามองดูพระพักของพระสิทธิ์เถอะด้วยความพิศวง เ้าไม่เคยเห็นนักหิวทที่สง่างามมีกิริยาอ่อนโยนและวาจาอ่อนหวานเช่นคนนี้มาก่อนเลยเราจะไปดูขบวนชายาันกันพระองค์ตรตอบท่านไม่ใช่นักหิวดประเภททงบูชายานันจะมีประโยชน์อะไรกับท่านไปเถิดท่านไปของท่านเราไปของเราบางทีแก่ของท่านอาจจะรอดชีวิตก็ได้ ไม่มีทางเสียละพระราชาทรงประสงค์สิในใดไม่เคยที่ใครจะขัดได้เขามองโดยพระมหาุรุได้สายตาแห่งความดวยบินแล้วเดินตามฝูงแกะไป เดินตามฝูงไปด้วยความเจ็บปวดทรมานพระองค์ทรงสังเกตเห็นแกะตัวที่เป็นแม่กำลังเดินวุ่นวุ่พระวงหน้าพระวงหลังเพราะมีลูกที่ตุหัวหลายตัวไม่ได้เห็นอังนั้นพระไทยอันเต็มเปลี่ยนด้วยความโกรนาก็เร่งเร้าให้พระองค์ต้องช่วยเหลือพระมหาบุรุษทรงยกลูกแกะตรงนั้นขึ้นอุ้มดเนินตามฝูงแกะไป พรางลูกผู้แก่ตัวนั้นเป็นเชิงตอดย้นว่าสัตว์ผู้น่าสงสารเอ๋ยข้าจะช่วยเจ้าเท่าที่กำลังกายและกำลังความกิดจะอำนวยให้การสนทนากับผู้กเกระีบนภูเขาและการภรวนานในที่สมบัติเป็นสิ่งที่ควรทาแต่การช่วยชีวิตเจ้าเป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่ข้าต้องทําก่อนพระเศรษถากและคนเลี้ยงแก่ มาถึงภายนงินครในเวลาสายยาละกาลภาพอประหลาดเพื่คือนกพกพจนุมก็มีแกะทานมาในตลาดนั้นทาให้คนทั้งหลายตั้งมองพิศวงท่างใการประทํามด้วยความสง่างามของพระมหาบุรุษผูงชนซึ่งชะนอมกันอยู่ที่ตลาดก็เรียงรายนอโดพระพักอันสง่างามของพระผูธิสัตว์ผู้ซื้อและผู้ขายของกะหลุดตาต่อเทียงกัน ช่างเหนกยกคอนขึ้นแล้วก็ต้องลดลงช่างทอผ้าปเป็นขจรนตนนั้นร่มได้หกจากแม่อทองแรงเพราะเจ้าของงูเพลินไปชมพระอาการานำเนิดของพระสิทธาฝ่ายเกิ่อสติตามก็กำลังปองตาเดียวกันพลางเพิ่มพังว่าบุรุษผู้อ้วนอยอกแกน่น เอสัตว์ทุกตัวเมื่อถูกมัดก็ต้องรอนเพื่อเอาชีวิตรอดในสัตว์ที่มองเห็นเพื่อนของมันกำลั ง, งจะถูกฆ่านั้นไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแกบตัวของมันต่อไปดูอาการของมันเถิดมันเป็นไปด้วยความหวาดเสียวทรนทุรายไร้ความสุข น, นองตาหนอกหน้ายนเซเศร้าตรัสดังนี้แล้วพระองค์พู้เปี่ยมได้พระมาหากรณา จะงแก้แพะต้อล้างออกปล่อยมันไปไม่มีใครเลยในที่นั้นแม้แต่พระราชาเองจะกล้าทับทานขัดขวางการกระทําของพระองค์ทั้งนี้พราะทาทางอนันเยือกเย็นสนัทธาพระวาจาที่นุ่มนวนฉะฉานเปลี่ยนไปได้วยความหวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายของพระองค์นั้นก็ให้เกิดตะบะ巴อำนาจและความคล้าเกลงแก่ผู้ใดมองเห็นจริงทีเดียว ผู้มีเมตตาเป็นวิหารธรรมมีความคุรณาประจาใจย่อมมีอาการสนาขอให้เกิดความเมใสและความใจแก่ผู้พบเห็นและสนทนาด้วยท่าทางอัศ น, นางามของพระสิท ธ, ธ์ไม่ครอบงีความรู้สึกของคนทั้งหลายในขนาดนั้นเสียสิ้น ก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแ ก, เก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นอยู่ในโลกเดียวกันต้องทรมานด้วยหนาวร้อนหิวกระหายเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังต้องพัดท่าจากสิ่งที่รักที่ถุนใจอันแทรกเข้ามาในช่วงชีวิตเป็นครั้งคราวท่านทั้งหลายลองหันไปดูนั่งเถิดพระองค์ทรงชี้ไปทางฝูแกะที่ถูกมัดรวมกันอยู่ คนทหายก็มองตามท่านทหารจมูเถิดแม่แต่ตัวนั้นดูน้ำตาไหลไม่เห็นลูกคุณลันอยู่ในเครื่องจำจำังลูกคุณลันเล่าคนดิ้นรนมองหาแม่เหมือนจะขอร้องของความช่วยเหลือจากแม่ท่านรองนักเปรียบเทียบด้เถิดท่านที่มีโลกน้อยและคลายนำลูกของท่านไปพันธนาการไปเพื่อรอการประหารท่านจะมีความรู้สึกอย่างไร ถ้าท่านมีกำลังช่วยได้ท่านจะช่วยหรือไม่มาาม น, น, ม น, น, น, มนธธี้เสียงมาจากมคนหนึ่งว่าช่วยช่วยแน่นอนท่านผู้ทรงพลพูดคมคายนักพู้ศิัทธาส่วนแล้วดูเสียงนั้นมาจากหีิงคนหนึ่งในจมรวนนั้นมีสามคนที่อุ้มลกกูกไว้กับอกพระองค์จัสต่อไปอย่างเยอือกยังแ จ, จ่มใจและชัดเจนว่า ถ้ามานุษย์ประสงค์รับเมตตาไม่ว่าจากสัตว์หรือเทพเจ้ามานุษย์ก็ควรแสงความเมตตากรุณาออกไปก่อนมาหาสมุทรให้น้ำเสียฟ้าฟ้าให้น้ำกสียดินและมาหาสมุทรก ล, ลับคืนมามาหาสมุทรเป็นแน่งบริจาคน้ำอันใหญ่หลวงและในที่สุดน้ำทุกแห่งไใใใใด้รนบแรงดันห้วยหนอคลองบึง ก็ไหลกลับมาสู่มหาสมุทรทั้งเส้นบุคคลก็เชนกันสแสดงอายออกไปย่อมด้รับสิ่ง น, นั้นแทนมาเสมอไม่เรกว่าช้า ผู้อื่นผู้ที่วานเม็ดพืชแห่งความทุกข์ยากเจ็บแค้ม่แก่ทู้อื่นนั้นไม่ต้องสงสัยเลยเมล็ดเพืช น, นั้นจะต้องหม้องานขึ้นและเขาจะต้องเก็บเกี่ยวผลอันเผ็ดร้อยและยตนเองข้าลักษณะที่ว่าหว่านเพืชชนิดใจย่อมไดร้รับผลชนิดนั้นเพราะฉะนั้นอัตมาภาพจึงขอร้องท่านทั้งหลายที่ประชุมกันณที่นี้ว่า จงอย่าได้วานเพื่อนมีผลเป็นพิษเลยมันจะยอกย้อแลาก่อให้เกิดความดดร้อนแกรทังทางถลายในบ้างตายจงประกอบแต่กรรมซึ่งหนีเมตตากรยาเป็นเบื่อหน้าความสมบสุขจะแผ่ไพศาลออกไปปกคลุมทั่วราชชาจักรแห่งปฐมคต ด้วยความสง่าและอำนาจจึงสามารถเปลี่ยพระไทยพระราชาและเปลี่ยนจิตใจของประชาชนได้เพระเจ้าพิมพิสารจึงรับสั่งให้ปล่อยแพะและแกะทั้งปวงรับสั่งให้หเลิกพิธีบูชายันครั้งนั้นคนที่ดีใจที่สุดอีกคนหนึ่งก็คือคนเลี้ยงแกะซึ่งนึกเคยดูเหมือนพระมหาบุตรอยู่ในใจเมื่อพระมหาบุตรตรัสว่าบางทีแกะของท่าน อาจกอดชีวิตก็ได้เมื่อประจักษ์ถึงอนุภาพของพระสิท ธ, ธาชเะนนั้นเขาจึงกล่อมกราพระองค์ด้วยคาถาล่มใสยอย่างแท้จริงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทั่วราชอาณาจักรมคตพระเจ้าพิมพิสารหรือพระบรมราชองค์การให้เลิกการประกอบพิธีบูชายันด้วยสั์เป็นชีวิตทั้งมวล ให้ประกอบการบูชายันด้วยอาการที่จะต้องหล้างสาราเบตเปลี่ยนชีวิตสัต์เช่นบูชายันด้วยดอกไม้ผลไม้ขนมหวานและอื่นๆอันละก็อาศัยการเด็ดเปี่ยนพระเจ้า เ, เปรี้ยสานได้ทรงคุ้นเคยกับพระสิท ธ, ธิธรรอยู่ก่อนแล้วเมวไไนนื่อมาระจับน้ำประถัยฉีดก็มีความเลือ่อนสายเพิ่มผูกขึ้นจึงทูลอรัตถลาให้ไปองอยู่ในแค้งมคตต่อไป เพื่อช่วยสั่งสอนบุคคลให้มีเมตตาราลีต่อกันพระสถิตาทรงขอพระทัยพระราชาในความปรารถนาดีดั น, นพระองค์จัดกับพระเจ้าพิมพิสารว่าติดที่พระองค์ทรงประสงค์และกุลธรรมที่ต้องการบนรลุถึงพระองค์ยัง ไ, ได้ไม่บรรุตามต้องการจึงไม่อาจรับสัญญ า, ดาได้พระเจ้าพิพิาสารทรงอวยพรให้พระมหาบุตรสำเร็จสิ่งที่ทรงปรารถนา และขอให้สำเร็จ มีความพอใจอยู่ในความสงบอันนั้นพราะสิทธะได้เรียนรู้และปฏิบัติจนสามารถทำได้เช่นเดียวกับอาจารย์อาราระการามโโรดเป็นที่พอใจของอาจารย์ย่นักท่านสิทธะปัญหาของท่านแล่คนยิ่นักจิตใจของท่านเข้มแข็งเป็นสมาธิเรายิ่งการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ท่านนั้น สมรรการเทน้ำลงม่นนดินทรายดยูดและส่งชาบเริ่งยท่านมีปฏิพาณ์ฉับไวย่ออกแก ค, ความเป็นครูหาบุคคลสมเหเหมือนไม่ได้ตั้งแต่ข้าพเจ้ามีสิษธิมามากตักงาแล้วไม่มีใครเลยที่เหมือนกับท่านหากท่านอยู่หน้าที่นี้สมักข้าเราก็จะเจริญเป็นแน่น้น่นขอท่านอยู่กับข้าพเจ้าสอนสิทธิกันเถิด รู้ที่ข้าพเจ้าจะปรงเรียนกับท่านอาจารย์นั้นในท่านี้หรือท่านอาจารย์มีทำอัะไรย่่งใดที่จะสอนข้าพเจ้าเพื่อรู้อีกหรือไม่ท่านสิทธัตถะหมดแล้วข้าพเจ้ามีความรู้เพียงเท่านี้สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้และปฏิบัติได้ท่านเองก็รู้และปฏิบัติได้หมดแล้วพระสิทธัตถะได้ทรงทบทวนเพื่องที่พระองค์รู้และปฏิบัติแล้ว ก็ส่งแม่ไทยว่าถ้าเพียงเท่านี้ก็ไม่อาจทำให้พระองค์ล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายได้น่าจะมีคุณธรรมอะไรที่สูงส่งกว่านี้พระองค์จึงตัดสินพระไธรทัยลาจากท่านอาจารย์อาราระคารามโคลดออกจากสมนักเพื่อแสวงหาความรู้ต่อไปทรงทราบขาว่าในคราอาจารย์อีกท่านหนึ่งคือ อุตตะกาดาบทรามาบุตรเป็นผู้ที่เชื่อชาในกระบวนการทางจิตเช่อเดียวกันจึงสเสด็จไปฝากพระองค์เป็นศิษย์ได้ทรงศึกษาและปฏิบัติจนได้ชาที่แปดคือมนวสัญญาณาสัญญาชนานะอันหลายถึงการทางจิตให้สงบถึงขนาดที่ไม่มีความรู้สึกต่อสังทุกวงจนถึงเรียกว่าใน ช, ชีวิูก็ไม่ใช่ ไม่มีชดวิตอยู่ก็ไม่ใช่